ท่านสุท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะบรรยายในหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะพูดในหัวข้อว่านิพพานหรือนิพานนนพานังนิพพาน คำว่านิพานนี่แปลว่าแปลได้สองในหนึ่งในยะแรกนะแปลว่าดับนะแปลว่าดับในยะที่สองแปลว่าหาของเสียดแทงมีได้นะหาของเสียดแทงมีได้ประการแรก ก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับเรื่องภาษาสันนิกหน่อยคำว่านิพพานเนี่ยมาจากนิบทหน้าวนธ า, า, แ, ป า, ปานะแปลว่าป่านะแปลว่าป่าแปลงวะเป็นพระ <c oughs> ก็เป็นอ่าพระนะนะ นิพพานทีฆะต้นธาตุก็เป็นแล้วก็ซ้อนพะหน้าพระมาก็เป็นนิพพานแปล ว, ว่าไม่มีป่าไม่มีป่าคำว่าป่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าป่าคือกิเลสไม่มีป่าก็คือไม่มีป่าคือกิเลสตัณหานั่นเองนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมาจากนิบท้าน ะ, ะวานะหรือวานะวานะหรือวานะเนี่ยแปลว่านานำไป ก็คือว่านําออกไปนี่ตัวนี้ออกนแปลว่านําออกไปตอนพระหน้าพระคาอีกก็แปลว่านําออกไปอมนําอะไรออกก็คือนํากิเลสตัณหาออกไปอันนี้ก็เล่นแร่แปรธาตุซะหน่อยเล่นแร่แปรธาตาุฉะนั้นในอุเทศข้อแรกเขาบอกไว้ว่านิพพานังประมังวัฒนติพุทธา พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวนิพพานว่ายอดเยี่ยมในอุเทศข้อที่สองว่านิพพานะคัมมังมครคังคิปะเมวะวิโสทเยพึงรีบชำระทางไปนิพพานในอุเทศข้อที่สามว่า นิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะน่ะนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเรียกว่าเรียนในนักธรรมเอกนี่ว่ากันถึงนิพพานเลยนะเรียกว่าพอเรียนจบก็ไม่ต้องเดินลงบันไดเรียกว่าขากลับนี่ใช้วิชาตัวเบานะ่ะออกทางหน้าต่างได้นะ่ะถึงนิพพานแล้วนะ่ะ แต่พวกเราไม่ค่อยมีนิพพานมีแต่ยอยถือพานนี่ถือพานบอกบุญญาติโยมถือพานเรียรายเงินญาติโยมนี่อย่างนี้มันก็ไปนิพพานไม่ได้หมัวแต่ลงในพานกันเรื่อยน่ะลงในพานกันเรื่อยบางบางแห่งก็พานใหญ่บางแห่งก็พานเล็กอืมพานอย่างนั้นอย่างดีถ้าเป็นพวกอันาพานก็ยิ่งแย่น่ะยิ่งแย่ใหญ่อืม กะระรานนะเป็นอันตรพาณไม่ดีอันตรพาณนี่แปลว่าอทั้งมืดทั้งบอดทั้งอ่อนอันทะนี่แปลว่ามืดนะพาละนี่แปลว่าอ่อนออ่อนด้วยสติกําลังปัญญาเนียมืดบอดก็หมายถึงว่าตาก็บอดตาปัญญาก็บอดอืมนี่เป็นเรื่องของนิพพานอ่านิพพานนี่เป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนา ปฏิปทาให้ถึงนิพพานนั้นต้นสายก็คือให้พิจารณาเรื่องสังขารนะเมื่อเมื่อเราพิจารณาสังขารจนจนเกิดนิพพิทายานผลที่สุดในปลายสายก็คือได้นิพพานเมื่อได้นิพพานก็ถือว่าสุดแล้วนะในทางศาสนาพุทธศาสน า, านี่ถือว่าสุดแล้วหมดกิเลสตัณหาก็หมดแล้วนะหมดสบายไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้ว ไม่กลับมาศึกษาเล่าเรียนหรือมาต้องมาแบกหามทำกิจการงานน้อยใหญ่อ ย, อย่างอีกแล้วเลิกนะเลิกกันฉะนั้นอนิพานนี้ท่านจึงจัดไว้สองอย่างในยะแรกแปลว่าดับที่แปลว่าดับก็หมายความว่าดับเพลิงกิเลสนะไอะ้คำว่าดับนี่แสดงมันต้องมีไฟนะมีไฟเหมือนอย่างเราดับไฟอ่าแสดงว่าดับเนี่ยใช้กับ ของที่ร้อนนั้นกิเลสนี่ก็เป็นของร้อนนะเรื่องกิเลสก็อะไรราคาัคิไฟคือราคะโทสักิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะนี่สามตัวนี่แหมร้อนเหลือเกิดนะร้อนใครมีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจดับย่าร้อนไฟจากดวงอาทิตย์ หลบเข้าร่มไม้ชายคาก็หายอาบน้าก็หายร้อนไฟที่หุงต้มอยู่ห่งหางๆก็หายแต่ร้อนไฟภายในคือราคะโทสะโมหะอาบน้าไม่หายอยู่ชายคาร่มไม้ไม่หายต้องทาไงต้องอาบด้วยธรรมนะต้องอาบด้วยธรรมะ หรือต้องรักษากันด้วยธรรมโอสถจึงจะหายนะจึงจะหายฉะนั้นจะหายอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะพูดในช่วงต่อไปอก็หมายความว่าราคะโทสดโมหะนี่แหละเป็นไฟภายในเป็นเพลิงภายในน่เป็นเพลิงภายใ น, นะ น, ไไนที่ต้องดับและต้องดับเพลิงทุกอีกอย่างหนึ่งก็คือชาติชราบรณะอันนี้เป็นเพลิงทุก ที่เราสวดมนต์กันบอกว่าชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์นี่ฉะนั้นเกิดแก่ตายเป็นทุกข์แต่เรามักจะพูดกันว่าเกิดแก่เจ็บตายเพิ่มตัวพยาธิเข้ามาว่าเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เราจะไม่เป็นทุกข์ก็ต้องไม่เกิด เมื่อไม่เกิดมันก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่มันก็ไม่ตายนะแต่ถ้าเกิดมาแล้วไอ้ความเกิดก็ส่งไปสู่สำนักความแก่ความแก่ก็ส่งไปสู่สำนักความตายนี่มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นอาการไม่เกิดเสียได้นั่นแหละเป็นสุขอ่าแต่ถ้าเรายังเกิดยังต้องเวียนว่าอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ <c oughs> ดังที่มีบาลีว่าทุกขาชาติปุรนปุนังการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์นะ เฉะนั้นเราจะต้องดับตัวเกิดนะดับตัวเกิดทีนี้อันนี้พูดถึงว่านิพพานแปลว่าดับในแรกนะในแรกแปลว่าดับเพลิงกิเลสดับเพลิงทุกข์ดับเพลิงกิเลสได้แก่ราคะโท ส, สะโมหะดับเพลิงทุกข์ได้แก่ชาติชารามรณะทีนี้ในยะที่สองที่แปลว่าหาเครื่องเสียดแทงมีได้ ก็แสดงว่ามันมีของแหลมของคมที่มันยังเสียดแทงย อ, อยู่เหมือนกับมีมีดมีหอกมีดาบอะไรเราคือเป็นมีดเป็นหอกเป็นดาบของมีคมอันนั้นก็คือตัวตันหานะตันหานี่แหละมันเป็นเครื่องเสียดแทงนะตันหามันเครื่องเสียดแทงมันแทงยังไง ตัณหามันมีอยู่สามคือนหนึ่งกามตัณหาความอยากในกามอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสนะี่อยากในสัมผัสก็ไม่พ้นกามคุณหนะ้านี่แหละถือว่าเป็นตัวเสียดแทงเสียดแทงอย่างยิ่งใหญ่รูปมันแทงตาเสียงมันแทงหูกลิ่นมันแทงจมกูกรสมันแทงที่ลิ้น อแทงที่ลิ้นกายมันแทงที่สัมผัสนี่แทงถูกตรงไหนก็ทําให้เรานั้นเรียกว่าตาบอดหูหนวกจมกูกเน่ามจมกูกเป็นหวัดไปเลยอืมลิ้นก็ชาไปกายก็ชาไปนะเพราถูกเสียดแทงถูกก ร, รมตันหาถูกภาวะตันหาในข้อที่สองคืออยาก อยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากอยู่ในภพติดภพติดชาติติดที่อยู่ที่อาศัยเคยอยู่ที่อาศัยดีไปอยู่ที่ไม่ดีก็บนอบนเคยนั่งรถเก๋งดีๆติดแอไปนั่งรถกระบะรถปิกอัพก็บนบบนี่ภพติดภพติดชาติอยากมีอยากมีโน่นอยากมีนี่อยากมีรถอยากมีบ้าน มีรถแล้วปรากฏว่ารถมันเสียบ่อยก็ไม่อยากมีต้องเปลืองค่าน้ํามันเดี๋ยวต้องซอ่น อ, นซอมนนซ่อมนี่ไม่อยากมีอีกแล้ว อ, อ้าวอยากจะมีอ่าเมียสวยๆมีสามีสวยๆพอมีแล้วก็ถูกอาสามีด่าว่าเช้าเย็นดูผู้ภรรยาบนว่าเช้าเย็นก็เอาไม่อยากจะมีอีกแล้วนี่มันอยากมีอยากเป็นอยู่เรื่อยนี่แหละมันเสียบมันเสียบแทงอยู่เรื่อยทำให้เรานอนไม่หลับพลิกไปทางไหนก็ถูกเสียบแทงอยู่เรื่อยเลยเหมือนกับ นอนอยู่บนหนามผุเรียนนะในข้อที่สามก็คือภาวะวิภาวะตัณหานะวิภาวะตัณหาก็คืออยากไม่เป็นนะอยากไม่เป็นไม่ใช่ไอ้คำว่าอยากไม่เป็นนี่มันพูดตามภาษานะอยากไม่เป็นไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นอะไรเลยอยากแต่ว่าเมื่อมันเป็นแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากเป็นอันอื่นต่อไปอีกนี่ มันเป็นอย่างนั้นมีภรรยาแล้วอเบื่อจะอยากไปมีใหม่อีกมีใหม่แล้วก็เบื่อเอาอยากมีต่อไปอีกนี่ไอ้ตัววิภาวะตัณหาตัวนี้เอง น, นี่แหละฉะนั้นจึงบอกว่าหาเครื่องเสียดแทงก็ไม่ได้ก็คือว่าหมดกราร ม, มาตัณหาหมดภาวะตัณหาหมดวิภาวะตัณหาไม่มีตัณหาเสียดแทงนล้วนี่ทั้งสองอย่างนี่ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานนถึงนิพพานอันนี้ก็ในาศาสนาพราหมณ์ท่านว่า มีต้นเดิมอย่างหนึ่งเรียกว่าปรมาตามันเอเทียบกับสัพมคตก็ว่าปรมาตตาหรือปรมาัาโถปรมา ต, ตามันนี้แบ่งภาคได้แบ่งได้แบ่งให้เข้าสิงรูปกายอันสร้างขึ้นต่างๆชนิดอาภาคเหล่านี้เรียกว่าอัตามันเทียบกับสัพมคตว่าอัตตาหรืออัตามันอันนี้ตกอยู่ในคติอกรรมคือทําบาปหนัก เทียบกับอนันตริยกรรมทางพระพุทธศาสนามีจุติจากร่างแล้วก็ย่อมตกนรกไม่มีกําหนดพ้นที่ได้อัตภาพเป็นคนชั้นดีที่ทําบาปไม่ถึงหนักหนาย่อมตกนรกชั่วคราวบ้างได้อัตภาพเป็นสัตว์ดิฉานต่างชนิดบ้างเป็นปีศาจบ้างเป็นยักษ์บ้างเป็นมนุษย์ชั้นเลวบ้างที่ทําดีก็เป็นความดีนั้นย่อมผลักผลัก หรือว่าผันคติให้ดีขึ้นทําดีมากขึ้นคติย่อมดีขึ้นเทียบได้กับมติของสัตว์ผู้ท่องเที่ยวใน ส, ง ส, สังสารวัตในอัตขปถางชาดกในเมตตสูตรกล่าวถึงการแผ่เมตตาแก่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีคู่กับสัตว์ผู้เกิดแล้วเรียกว่าภูตัหรือพูดสัตว์ชนิดนั้นเทียบได้กับอาตมัน กำลังร่อนเร่พเนจรเข้าสิงร่างโน้นร่างนี้ะฉะนั้นอาตามันนั้นท่องเที่ยวไปในที่สุดย่อมถึงความบริสุทธิ์จากบาปด้วยประการทั้งปวงได้ชื่อว่ามหาตามันเทียบกับศัพท์มคตว่ามหาตาแปลว่าอัตตาใหญ่นะอัตตาใหญ่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ล, ลัทธิพราหมณ์นะลัทธิพราหมณ์ทีนี้ก็ จะพูดถึงนิพพานอ่านิพพานนั้นก็มีชื่อเรียกในลัทธิภายนอกอีกก็มีนะไม่ใช่จะมีแต่ในของพุทธเนทะ่านั้นลัทธิภายนอกก็มีอ่าพึ่งเห็นในคำแห่งที่มาในโทตกะมานพกราบทูลพระศ า, าสดาว่าปุชามิตังพัควาพระรูหิเมตังจาตาปิกังขามิมเหสิตุยหั่งตะวะสุตวานะนิคโคสั่งสิกเเ นิพพานมัตตโนซึ่งแปลอย่างไท ย, ไทยว่าข้าแต่ผู้มีพระภาคข้าพเจ้าขอทูลถามพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ตรัสข้อนั้นแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าฟังถ้าดารัสแล้วพิจารณาศึกษ า, านิพพานของตนใน ครั้งนั้นโธตะกะมานพก็เฝ้าเป็นครั้งแรกยังไม่รู้ธรรมในพระพุทธศาสนานิพพานที่ได้กล่าวถึงในพระคาถานี้จึงคงหมายเอานิพพานในลัทธิของตนในลัทธิของคริสตตังนะคริสตังอืมคริสตังคริสเตียนเนี่ยพอหมตดสตังก็กลายเป็นคริสเตียนไปมติลัทธิคริสตังก็บัญญัติถึงที่สุดแห่งสงสารในทํานองลัทธิพราเหมือนกันแต่หนักไปทางข้างปุกลาธิฐานนะ คือนักบุญเบื้องหน้าแต่ตายย่อมขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าเป็นนิรัน์ไม่โยกย้ายแต่ปฏิเสธการได้อัตตาภาพเป็นมนุษย์และเป็นนิรัฉานต่างชนิดสับสนกันแต่ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยทุกวันนี้ที่พุทธบริษัทพากันเคารพนับถืออย่างไม่จืดจางนะแม้จะอุบัติในเวลาที่ศาสนาพราหมณ์กาลังแพร่หลายจเจริญรุ่งเรืองอยู่ ก็น่าจะไม่ถึงความเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็จริงแต่เพราะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่เลิศล้วนด้วยสาระประโยชน์ไม่มีศาสนาอื่นใดเสมอเหมือนได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธศาสนาจึงมั่นคงและยั่งยืนสืบมาได้จนเท่าทุกวันนี้มติในทางพระพุทธศาสนาแยกมูลเหตุ อันแต่งสังขารเป็นต้นสายนิพพานเป็นปลายสายและก็ปฏิเสธอัตตาแต่ยอมรับความเชื่อถึงกันแห่งจุติจิตในภพหลังและปฏิสนธิจิตในภพหน้าโดยอาการสืบสันตติในชีวิตอันเดียวผลแห่งการสืบสันตติต้นย่อมสืบมาถึงสันตติหลังยอมรับการตกนรกขึ้นสวรรค์ และถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเป็นเดรัจฉานต่างชนิดสับสนกันด้วยอำนาจกรรมแต่บัญญัติการตกนรกมีที่สุดพึงเห็นในการพยากรณ์คติแห่งคนทำอนันตริยกรรมเช่นพระเทวทัตพระเจ้าชาติศัตรูเมื่อสิ้นกรรมแล้วคงได้ตรัสรู้เป็นพระปเจกุเจ้าในที่สุด กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวงแห่งจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรที่ได้บรรลุอรหันต์โดยอาการอย่างเดียวกันแต่ค้านการบริสุทธิ์เองที่เรียกว่าสังสารสุ ธ, ธิแก้ว่าต้องสําเร็จด้วยวิริยะกับปัญญานะแต่ยอมรับว่าไม่สําเร็จโดยรวดเร็วในไม่กี่พบพึ่งเห็นในการกล่าวถึงระยะการ ที่บาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในที่สุดกล่าวถึงการดับแห่งจิตอันบริสุทธินั้นในปัจฉิมชาติโดยไม่เกิดขึ้นอีกอเป็นที่สุดเพียงนี้นะฉะนั้นที่ในกล่าววันนี้ก็เป็นมติในทางพระพุทธศาสนานซึ่งในบาลีอนัตตลักษณสูตรที่ว่าอคีนาชาติ อาวุสิตังธรรมจริยังกตังกรณียังนาปรังออิทันตาญาติประชานาติาย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกรณียะทําเสร็จแล้วกิบอื่นคือความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือนิพพานานีนิพพานนี้เป็นธรรมไม่ตายเป็นเป็นฐานไม่จุติอไม่จุติดังในบาลีว่าอั ป, ปมาทโอมทอมตตังปัทถังความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตายนะเป็นทางไม่ตายหรือในมารีว่าเตยันติอัจจุตังฐานังยัตทะคันตวานะโสเจเรมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่สถานไม่จุติที่ไปแล้วไม่เศร้าโงกนะทีนี้นิพพานเนี่ยนะ <c oughs> นิพพานเนี่ยเป็นปลายสายน ะ, ะย่อมจัดเป็น วิสังขารคือไม่มีสังขารเป็นอสังขตธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะพ้นจากความเป็นสังขารและปัจจัยไม่ได้แส่งให้เกิดอีกฉะนั้นนิพพานนี้จึงแบ่งเป็นสองอย่างแบ่งออกเป็นสองอย่างที่ว่าแบ่งเป็นสองอย่างก็คือว่าคือหนึ่งอุปาทิเสสนิพานนะ อุปาทิเศสนิพพานแต่ว่าดับกิเลสแล้วยังมียังมีเบญจขันธ์เหลือ <c oughs> นะดับกิเลสแล้วยังมีเบญจขันธ์เหลืออันนี้ก็หมายความว่าในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่นั้นนะในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เราหมดกิเลสตัณหานะหมดกิเลสตัณหา แต่ว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ขันห้ายังเหลืออยู่รูปเวทนาสัญญ า, าสังขารวิญญาณนี่ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นี่อย่างนี้เรียกว่าสัพปาทิเศสนิพานสัพปาทิเศสนิพานนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเล ส, สนิพานนะกิเลสนิพานขอให้ท่านฟังอีกเที่ยวหนึ่งท่านอาจจะงงในนิพานเจานิพานเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่าง คือหนึ่งสาุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วยังมีเบญจขันห้าคือหมายว่าคนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่แต่ว่าสามารถประพฤติธปฏิบัติอดําเนินประมัะะติถปฏิปทาจนกิเลสตัณหาหมดไปนะแต่ยังมีชีวิตเป็นอยู่คือขันห้ายังเหลืออยู่ยังพูดได้เดินได้ยังมีความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าสาุปาทิเสสนิพพาน หรือเรียกอีกอย่างเรื่องว่ากิเลสสนิพัาน์นะกิเลสสนิพัานแล้วในประเภทที่สองอนุปาทิเสสนิพัทธ์อนุปาทิเสสนิพัานก็คือว่าดับกิเลสแล้วไม่มีเบญจขันธ์เหลือคือหมายถึงว่าหมดกิเลสด้วยขันห้าก็ไม่เหลือคือตัวตายไปด้วยพูดง่ายๆนะเหมือนอย่างเราอย่างเนี้ยนะหมดกิเลสด้วยแล้วตัวก็ตายไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพัทธ นะอนุปาทิเศสนิพานีดังนั้นเรียกว่าทั้งกิเลสก็หมดไปขันห้าตัวเราก็หมดไปนะไม่มีเหลืออยู่แล้วก็ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธนิพานนะอนุปาทิเศสนิพานเนี่ยเรียกว่าขันธนิพานก็คือว่าดับเป็นจะขัน ดับเป็นจะขันเรียกว่าเป็นจะขันห้าก็ดับหมดไปด้วยนะอย่างนี้เรียกว่าดับเป็นจขันฉะนั้นอพูดถึงเรื่องนิพพานแล้วก็มีเรื่องสลับซับซ้อนมากนะมีเรื่องสลับซับซ้อนมากอันนี้ก็นักเรียนนักศึกษานั้นก็จะต้องจะต้องค้นคว้าให้มากกว่านี้อีกนะมีบาลีที่สแสดงไว้เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแสดงไว้เยอะ ซึ่งอเป็นต้นว่าทาเวมาพิกเวนิพพานธาตุโยกัตมาทาเวสาวปาทิเสสาจะนิพพานธาตุอนุปาทิเสสาจะนิพพานธาตุเป็นต้นแปลว่าที่สุทั้งหลายนิพพานธาตุมีสองสองอย่างเป็นชไหนนิพพานธาตุเป็นสาวปาทิเสสนิพพานคือมีอุปาทิเหลืออยู่ อนิพพานธาตุเป็นอนุปาทิเสสนิพพานหามีอุปาธเหลืออยู่คือไม่มีไม่มีความยึดมั่นหรือไม่มีอุปาธเหลืออยู่พิสูจนทั้งหลายซุปาทิเสสนิพพานเป็นจนไหนก็บอกว่าพิสูจนในธรรมใ น, นัยนี้เป็นพระอาหารหันต์มีอสุวะสิทธแล้วมีกิจอันกระทำแล้วมีภาระอันตรงแล้วมีประโยชน์อย่างดีคือพระอาหารหันต์ บรรลุแล้วมีเครื่องประกอบไว้กับพบสิ้นรอบแล้วรู้รอบแล้วหลุดพ้นแล้วอินทรีย์ห้าของเธ อ, อยังตั้งอยู่นะเพราะความที่อินทรีย์เราเราไร่เล่าเป็นของไม่วิบัติเธอย่อมสเสวยอารมณ์อันชอบใจบ้างอันไม่ชอบใจบ้างย่อมรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกบ้างแต่ความสิ้นแห่งราคะความสิ้นแห่งโทสะความสิ้นแห่งโมหะของเธ อ, อพ่สุทธิ์ทั้งหลาย อกล่าวเรากล่าวว่าสัพพะทิเสสิพานาธาตุพิสุทั้งหลายออย่างนี้เรียกว่าอุปาะทิเศอสัพพะทิเสสนิพาณาธาตุส่วนอนุปาทิเศสิพานาธาตุเป็นชนิดพิสุทั้งหลายพิสุคือพาอาหารขีนาสบรู้รอบแล้วหลุดพ้นแล้วเสวยอารมณ์ทั้งปวงของเธออันไม่เพลิดเพลิก็จักเย็นในโลกทีเดียวพิสุทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าอนุภาอนุปาทิเสสนิพาณาธาตุนี่มารีก็แสดงไว้สองอย่าง ฉะนั้นอเมื่อพูดถึงเรื่องนิพพานก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยากที่เราจะพูดกันให้แจ่มแจ้งได้นะคือพูดแสดงก็ยากที่จะแสดงให้แจ่มแจ้งแล้วก็ยังไม่ปฏิบัติให้ถึงขั้นนิพพานอผู้ฟังก็ไม่สามารถจะฟังให้แจ่มแจ้งได้เรียกว่ายากทั้งผู้แสดงยากทั้งผู้ที่จะสดับตรับฟังให้รู้แจ่มแจ้งเข้าใจได้เพราะเราก็ ถ้าจะพูดกันถึงเรื่องนิพพานแล้วก็ยังอยู่ห่างไกลามากนะยังอยู่ในประเภทว่าอยู่ในพานนะยังถือภานนะยังไม่เข้าใกล้พระนิพพานนะนั้นก็พูดพูดกันแบบตามตำราตามความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก็พอเป็นบทเป็นแนวทางบ้างทะ้นั้นถ้าหากว่าอยากจะได้รายละเอียดก็ นัเกเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจะต้องค้นคว้าและใส่ถามท่านผู้รู้ถ้าให้มากกว่า น, นี้ก็จะทําความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นก็จะขอตั้งเป็นปัญหาถามเพื่อความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นดังต่อไปนี้สมมุติว่าอถ้าจะมีคนถามว่าปฏิบัตทาแห่งนิพพานนั้นมีอย่างไรอันนี้เราก็จะตอบได้ว่า ในธรรมจกกักรกปวัตนสูตรจะแดงมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ติดในส่วนสุดสองอย่างคือการมัจสุขัลิกานุโยกและอจจกิรามัฐานุโยกคือทำจัสุธรรมยานเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้เองเพื่อนิพพานผู้ชำระทางปนานิพพานพึ ง, ง่งาทางที่ผิด ลงกันข้ามเป็นดุดหนาหรือตอที่กีดขวางทำให้ชักช้าฝึกหัดไรทวานตามมรคมีองแปดกว่าจะครบเป็นธรมม ะ, ะเป็นมรคสมังคีนะก็จะทำให้ถึงที่สุดคือพระนิพพานได้อันนี้แหละถือว่าเป็นปฏิปทาแห่งพระนิพพานถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องดำเนินตามทางมรแปด ทตามทางมักมีองแปดตั้งแต่สัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิดอยไม่ติดในทางสุดตรงสองสายคือกามัสุขัลิกานุโยคคือประกอบประพฤติในทางที่ย่อหย่อนประพฤติสะดวกสบายเกินไปทําตัวสบายเกินไปหรืออัตตกิรมัฐานุโยค ก็คือทําตัวเองให้ลําบากอายอมอดอาหารานั่งนอนบนตะปูหรือว่ า, าบนหนามอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันนี้ทําตัวเองให้ลําบากไม่เป็นทางที่จะให้เกิดความสงบได้ไม่เป็นทางเพื่อมรักผลนิพพานได้นะทีนี้จะเดียวถามต่อไปอีกว่าบทแห่งนิพพานว่าสัพพูปะสัพพูปะทิ ปฏินินะสัคโคนะสัพพูปฏิปฏินิสัคโคเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนั้นหมายอุปธิคืออะไรบ้างว่าเป็นอุปฏิทั้งปวงเพื่อไม่ต้องพูดรวบยอดว่าปันจขันขอยหฟังอีกเที่ยวหนึ่งบทแห่งนิพานว่าสัพพูปฏิปฏินิสัคโคอ่า เป็นที่สละคืนอุปธิเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนั้นน่ะหมายอุปธิคืออะไรบ้างว่าเป็นอุปธิทั้งปวงเพื่อไม่ต้องพูดรวบยอดว่าปัญจขันธ์อันนี้เราก็ตอบเลยว่าหมายเอาขันธ์กิเลสหรืออภิสังขารกามคุณว่าเป็นอุปธิทั้งปวงนะไอ้คาว่าอุปธิเนี่ยได้แก่ ขันห้าหรือกิเลสอภิสังขารกามคุณห้านะหรืออีกในหนึ่งตัณหาทิฏฐิกิเลสกรรมทุจริตอาหารปฏิคะอุปาทินกะาธาตุทั้งสี่อายตนะภายในหกวิญญาณภายในหกรวมเป็นสิบนี้ก็เรียกว่าอุปธิอีกเช่นกัน น, นี่เราก็ตอบอย่างนั้นหรือถ้าจะถามว่า นิพพานมีกี่อย่างต่างกันอย่างไรเราก็ตอบว่ามีสองอย่างเสถารทิเศสนิพพานกับอนุปาทิเศสนิพานานพานเสถารทิเสสนิพพานหมายเอาการดับกิเลสแต่ขันห้ายังทรงอยู่อนุปาทิเสสนิพพานหมายเอาการดับขันห้าของผู้ปราศจากกิเลสนะหรือถ้าจะถามว่า เทชะไหนนิพพานท่านจึงไม่นับเข้าในคําว่าสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาแต่นับเข้าในคําว่าสัพเพธรรมานตาจงวินิจัยมาดูอันนี้เราก็แก้ว่าเพราะนิพพานเป็นธรรมเที่ยงแท้ถาวรมีอยู่ทุกเมื่อและเป็นบร ม, มสุขด้วยจึงไม่นับเข้าในในคําต้นทั้งสองนั้นแต่เพราะนิพพานเป็นอ น, นัตตาไม่มีตัวไม่มีตน นะไม่มีตัวไม่มีตนสัตบุคคลเป็นอสังไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่สัตบุคคลเป็นอสังฆตาธาตุอย่างหนึ่งต่างหากนะแล้วก็เป็นวิสังขารคือไม่มีสังขารจึงนับเข้าในคำว่าสัพเพ ธ, ธรรมอนตตาดังนี้เอาละอาอาการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอนิพพานมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในธรรมวิจารณ์ส่วนประมาภิปฏิปทาสรุปธรรมะในส่วนประมาิปติปทาหกข้อคือตั้งแต่ นิพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะความสิ้นกำหนัดวิมุตติความหลุดพ้นวิสุทธิความหมดจดสันติความสงบนิพพานความดับซึ่งทั้งหกบทนี้ได้บรรยายจบไปแล้วเพียงย่อ และก็จะขอสรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจเพื่อการลืมอีกเที่ยวหนึ่ง <c oughs> ฉะนั้น ในตอนแรกนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอนิปิทาความน่ายเมื่อพูดถึงเรื่องนิปิทาความห่ายนักเรียนนักศึกษาก็ต้องนึกถึงอุเทศไว้ก่อนว่าเขามีอุเทศไว้ว่าเอถะปัสสติมังโล ก, กังจิตตังราชาระถูปะมังยัตถะภาลาวิสีทันตินัตติสังโควิชานตัง ซึ่งแปลว่าสูทั้งหลายจง ม, มาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องไม่ในข้อที่สองอุเทศว่าเยจิตตังสัญญเมสันติโมขันติมารพันธนาซึ่งแปลว่าผู้ใดระวังจิตผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารก็มีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า ในบาลีในอุเทศข้อที่สองก็คือว่าอคําว่าโลกนะว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุจราชรสเนะ่ยคําว่าโลกในที่นี้มีอยู่สองอย่างคือโลกโดยตรงก็ได้แก่แผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยอาโลกโดยอ้อมก็ได้แก่หมูสัตว์คือผู้อาศัยอาหมู่สัตว์ก็ไม่หมายถึงว่าพวกหมู่มนุษย์นะหมู่มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานโลกโดยตรงก็ได้แก่แผ่นดิน พวกหุวยน้องกลองทานอต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เป็นต้นทีนี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกมันมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสิ่งอันอาจให้โทษโดยส่วนเดียวเปรียบด้วยยาพิษสองสิ่งอันอาจให้โทษในเมื่อเกินพอดีเปรียบด้วยของหมื่นเมาสามสิ่งอันเป็นอุปการะเปรียบด้วยอาหารและเพศสัตว์อันสบายอันผู้ไร้วิจารณ์ย่อม ติดหรือหมกอยู่ในโลกคือย่อมติดคือหนึ่งย่อมเพลิดเพลินในสิ่งอันอาจให้โทษสองย่อมอละเลงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษสามย่อมติดในสิ่งที่เป็นอุปการะทีนี้พระาศาสดาได้ทรงตรัสชวนให้เรามาดูโลกด้วยมีความมุ่งหมายสองอย่างคือหนึ่งมิได้ให้มาเพื่อให้หลงชมนะ ไม่ได้มาเพื่อให้หลงชมสองทรงให้เราดูเพื่อปลุกใจพวกเราให้ยังเห็นลึกซึ้งถึงคุณและโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แห่งสิ่งนั้นๆผู้ที่จะพ้นจากมาและบวงแห่งมานั้นจะต้องสำรวมจิตด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกเิ้นกายใจ ม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปปูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเลนลิมรถกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดในอารมณ์ต่างๆสองมณสิการกรรมฐานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการมัชันะนัะคืออสุภะและกายยคตาสติอันยังจิตให้สลดคือมรณะสติสามเจริญวิปัสนาคือพิจารณาสังขารแยกออกเป็นขันสนิฐานให้เห็นเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทีนี้ก็มาพูดถึงมารและบ่วงแห่งมารนะมารและบ่วงแห่งมารก็คือกามสองอย่างที่ว่ามารก็ได้แก่กิเลสกามคือเจอตสิกอันเศร้าหมองชักให้รักให้ให้ ใ, ห ใ, ใคร่ให้รักให้อยากได้กล่าวคือตัวตันหาความทะยานอยากราคะความกำหนัดอรติความขึงเคียดอาเป็นต้นจัดว่าเป็นมารเพราะเป็นโทษล้างผลาญคุณงามความดี 2วัตถุการมคือรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะอันเป็นของน่าชอบใจจัดเป็นบวงแห่งมานเพราะเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดแห่งมานทีนี้ก็จะพูดถึงปฏิปทาแห่งนิพิทาซึ่งมีอุเทศว่าสัพเพสังขาราอนิจจติสัพเพสังขาราทุขาติสัพเพธราารมานัตตาติยธาปัญญายปัสติอัถนิพินสติทุขเขเเอสะมโกวิสุทธิยา เมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกข์นั่นทางแห่งวิสุทธิ์ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าสังขารมีลักษณะเสมอกันสามอย่างคืออนิจจตาความไม่เที่ยงสองทุกขตาความเป็นทุกข์สามอนัตตาความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนอนิจจตา กำหนดพิจารณาได้สามทางคือกำหนดรู้รู้ได้ในทางหยาบคือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ความเสื่อมสิ้นไปในเบื้องปลายดังบาลีว่าอณิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอมีความเกิดขึ้นและสิ้นไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความดับแห่งสังขารในการทั้งสาม อันนี้อขอประธานโทษทีนี้เราพิจารณาอย่างอย่างกลางนะอย่างกลางก็คือว่าให้เราพิจารณาว่าให้เราพิจารณาว่าสังขารนะสังขารเราใดเกิดขึ้นแล้วนะอดีตสังขาเรเหล่านั้นก็ดับแล้วนะอดีต สังขารเราใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขาเรเหล่านั้นก็ดับในปัจจุบันสังขารเราใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขาเรเหล่านั้นก็จะดับในอนาคตนะส่วนในทางละเอียดนะอ่าขอประทานโทษส่วนในทางอย่างกลางก็คือว่าอ่าให้เราพิจารณากําหนดรู้ด้วยในความในระหว่างเกิดกับดับคือความแปรปรวนระหว่างเกิดกับดับในบาลีว่าอัจเจนติกาลาตะระยันติรติโย วโยกุณานุปุภังชหันติการย่อมล่วงไปราตีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละไปเป็นลำดับทีนี้เราพิจารณาในทางละเอียดก็คือในทางสุขขมย่อมกำหนดความแปรปรวนแห่งสังขารชั่วขณะหนึ่งหนึ่งคือไม่คงที่อยู่ได้นานเพียงระยะการนิดเดียวก็แปรแล้วดังบาลีว่าชีวิตตังอัตภาโวจะ สุขทุก ข, ขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโสวัตเตคโนชีวิตอัตภาพและสุขทุกข์ทั้งมวลประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปพลันอันนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาสังขาราว่าเป็นอนิจจังพิจารณาได้ในหลักสามอย่างทีนี้เรามาพิจารณา สังขารว่าเป็นทุกขคือเป็นทุกขตาย่อมกําหนดรู้โดยทุกสิทธ์คือสภาวะทุกขทุกประจำสังขารปะกินอากาทุกขหรือทุกขจรอนิพัตตทุกทุกเนืองนิดปะกินอากาทุกคือทุกเล็กเล็กน้อยน้อยอานิพัตตทุกทุกเนืองนิดพยาธิทุกขคือทุกขเวทนามีความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นต้นสันตาปทุกทุกคือความร้อนรุ่ม กลุ่มใจด้วยเฟืิองกิเลสราคะโทสะโมหะวิปากระทุกคือทุกเกิดจากผนแห่งกรรมสากระตาทุกทุกไปพร้อมกันคือมีรากทัวเสื่อมราบมียอดหัวเสื่อมยอดเป็นต้นอาหาระปรย์เยติทุกทุกในการแสวงหากินเลี้ยงชีพวิวาภมูลกระทุกคือทุกมีการทะเลาะวิวาทเป็นมูลทุกขักขันทุกโดยรวบยอดหมายเอาสังขารเป็นที่ประชุมแห่งขันห้า ทีนี้อนัตตานะอนัตตาพึงกำหนดรู้ด้วยอาการห้าอย่างก็คือด้วยไม่อยู่ในอำนาจคือฝืนความปรารถนาสองด้วยแย้งต่ออัตตาสามด้วยความเป็นสภาพมหาเจ้าของไม่ได้สี่ด้วยความเป็นสภาพศูนย์ห้าด้วยความเป็นสภาพเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะด้วยความเป็นสภาวธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่ทั้งห้าอย่าง นี่เรียกว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงนิพพิทาเราก็พิจารณาอย่างนั้นทีนี้ความไหนเรียกว่านิพพิทาเกิดด้วยปัญญาจัดเป็นนิพพิทายานย่อมเป็นทางคือปฏิปทาแห่งวิสุท ธ, ธิความหมดจดฟังเท่วทีนี้ถ้าจะถามนี่ส่วนวิราคะน่ะ อส่วนวิราคะนั่นก็คือความสิ้นกำหนัดอุเทศว่านี้ปิดทางวิราชติเมื่อนายย่อมสิ้นกำหนดข้อที่สองวิราโคเสตโธธรรมานางังวิราคะเป็นประเสริฐแห่งธรรมทั้งหลายข้อสามสุ ข, ขาวิราคตาโลเกกามานางังสมติกโมวิราคะคือความก้าวล่วงเสียด้วยดีซึ่งกามทั้งหลายเป็นสุขในโลกข้อที่น่าสังเกตก็คือว่า วัยพศแห่งวิราคะนั้นวัยคำว่าวัยพศคือคำสำหรับเรียกแทนกันแห่งวิราคะมีแปดอย่างคือหนึ่งมัธนิมมัทโนทำอย่างความเมาให้ส่างสองปีปาสวินโยความนำเสียซึ่งความระหายสามอรยะสมุขาโตความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งความอไล่สี่วัตตูปเฉโทความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัตต หตันหักขยโยความสิ้นไปแห่งตันหาหกวิราคะความสิ้นกำหนัดเจ็ดนิโรโทรความดับแปดนิพพานังธรรมชาติหาเครื่องเสียแทงมีได้ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นไวยพจน์แห่งวิราคะคำใดคำหนึ่งก็ถือว่าเป็นวิราคะหรือเป็นตัวนิพพานก็ได้นะพูดเป็นตัวนิพพานก็ได้คําว่านิโรโทรหรือนิโรทสัพท์นี้หมายเอาความดับแห่งธรรมมีเหตุเป็นแดนเกิด เป็นแดนเกิดดังบาลีว่าเตสันจะโยนิโรโทจะพระธถคค ต, ตัดความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยวีราคะาอันกล่าวแล้วในลำดับแห่งนิพิทาท่านว่าได้แก่อริยมรตทีนี้ก็มาพูดถึงวีมุตเรียก ว, ว่าความหลุดพ้นความหลุดพ้นในที่นี้ก็คื อ, อหมายถึงว่าหลุดพ้นจาก อ, อาสวะหลุดพ้นจากสังขารหลุดพ้นจากอาสวะจากกิเลสตัณหาท่านอุเทศไว้ว่าหนึ่งาคาวิมุตติเพราะสิ้นกำหนดย่อมหลุดพ้นสองกามาสวาปิจิตตังวิมุตติจิตะภาวาสวาปิจิตตังวิมุตติจิตะอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติจิตะจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะเนื่องด้วยกามจิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะเนื่องด้วยภพ จิตหลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะเนื่องด้วยอวิชชาในวุเทศข้อที่สามวิมุตตัสมิงวิมุตตามีติยานางังโหติเมื่อหลุดพ้นแล้วยานว่าหลุดพ้นแล้วย่อมมีข้อที่น่าสังเกตในเรื่องวิมุตต์ก็คือว่าอาสวะสามคำว่าอาสวะนี่แปลว่าเครื่องหมักดองนะคือหนึ่งการมาสวะอาสวะเนื่องด้วยกามสองภ ว, วะสวะอาสวะเนื่องด้วยภพ สามอาวิชชาสวะอสวะเนื่องด้วยอวิชชานะเนื่องด้วยอวิชชาความหมายแห่งวิมุตต์ก็คือว่าอ่าวิมุตต์ในกระทูแรกที่ว่าวิราคาวิมุตติก็ได้แก ى, อ่อาริยผลนะส่วนวิมุตต์ในกระทูที่สองนะที่บอกว่าวิภามาสวะปิจิตตังวิมุตจิตถะพราะวาสวะปิจิตตังวิมุตจิตถอวิชชาสวะปิจิตตังวิมุตจิตถก็ได้แก่อ เป็นอริยมรรคส่วนวิมุติในกระทู้ที่สามวิมุตตัสสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติอันนี้ก็อให้เห็นว่าเป็นได้ทั้งอริยมรรคอริยผลอ่าวิมุตสองวิมุติในบาลีว่าวิราคายมุตจติเพราะเส้นกำหนัดย่อมดลุดพ้นอวิมุตติยาณทัทสนะในบาลีว่าวิมุตตัสสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติ เมื่อหลุดพ้นแล้วยารนว่าหลุดพ้นย่อมมีวิมุตินั้นเป็นโลกุตระแต่ในบาลีแสดงอาเสขะธรรมขันใช้บทว่าอาเสขะกํากับด้วยนะกำกับด้วยว่าอาเสเขนะวิมุตติขันเถนะอาเสเขนะวิมุตติยานัทสันนัคขันเถนะสมนาคโต มาตามพร้อมแล้วด้วยกองวิมุตต์ของพระอเศคารด้วยกองวิมุตติยานทัศนะของพระอเสศคอืมทีนี้วิมุตหะก็ได้แก่แต่ทางเขมวิมุตตหลุดพ้นด้วยหลุดพ้นชั่วคราวหรือว่าโดยองค์นั้นสองวิขัมปนาวิมุตตหลุดพ้นด้วยการข่มไว้สามสมุทเฉทวิมุตตหลุดพ้นด้วยความสงบราบสี่ปฏิปัติจัตถิวิมุตตหลุดพ้นด้วยการออกไป ห้านิสสนาวิมุตตหลุดพ้นด้วยการออกไปเสียนะวิมุตตในสองข้อต้นเป็นโลกิยาสามข้อท้ายเป็นโลกุตระทีนี้ก็มาถึงวิสุทธนะิสุอ่าวิสุทธิ เมื่อพูดถึงวิสุทธิแปลว่าความหมดจดหรือความบริสุทธิ์ในอุเทศข้อแรกว่าปัญญะปัญญะบริสุทธิ์ติย่อมหมดจดได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญา ภูเทศข้อที่สองว่าเอสมัมมโควิสุทธิยานั่นคือนิพิทาทางแห่งวิสุตธิข้อที่น่าสังเกตน่ารู้ก็คือว่าลัทธิพราม์กับลัทธิคริสตังพูดถึงความบริสุทธิ์ไว้ว่าลัทธิพราม์ถือว่าบาปที่ทําแล้วอาจลอยเสียด้วยทําพิธีเมื่ออาบน้ําได้ลัทธิคริสตตังถือว่าการอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อให้โปรดยกประทานให้อก็ ถือว่าเป็นการพระเจ้าก็จะทำให้พระเจ้านั้นเกิดความรักเประทานพรให้แต่ฝ่ายในทางพระพุทธศาสนาถือว่าทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจดเองความหมดจดและความเศร้าหมองเป็นของเฉพาะตัวคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจดหาไม่ได้โดยในนี้ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีได้ด้วยปัญญานะ ย่อมมีได้ด้วยปัญญาทีนี้ทางที่ย้เกิดปัญญาก็ต้องเจริญวิปัสสนาญาณเก้าตั้งแต่อุทยรพย า, ยานปีชาคำหนึงเห็นความเกิดดับของรูปนามสองพังก์ยานปีชาคำหนึงเห็นความดับย่อยยับไปของรูปนามข้อสามพยตูปัฏฐานญาณปีชาคำหนึงเห็นสังขารปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัว ข้อสอาทีนาวายานปีชาคำหนึ่งเห็นโทษของอสังขารข้อห้ า, านิปิทายานปีชาคำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายของสังขารข้อหกมุนจิตุกรร ม, มยตาญาณปีชาคำหนึ่งถึงคำหนึ่งด้วยใครอยากจะพ้นไปเสียข้อเจ็ดปฏิสังขารายานาาพิจารณาด้วย ความพิจารณาด้วยพิจารณาหาทางที่จะหลุดพ้นข้อที่แปดสังขารุเปกขายานพิจารณาด้วยความวางเฉยนะด้วยความด้วยความวางเฉยในสังขารคือไม่ยึดมั่นถือมั่นข้อที่เก้าสัจจานุโรมยานก็พิจารณาโดยสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัจสี่คือโคตรภูยานก็เรียก หมายความว่ายานครอบโคดคือล่วงภาวะของความเป็นปุตุชนที่จะเข้าสู่ภาวะของพระอิยะบุคคลและทางแห่งความบริสุทธิ์ท่านได้แสดงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามคานัทถังคิโกเศธโถเป็นต้นอาเสวะมคโคนัทถันโยทัศนัทสกิสุทธิยาทางมีองค์แปดเป็นประเสริฐสุดแห่งทางทั้งหลายทางนั่นแล ไม่มีทางอื่นเพื่อหมดจดแห่งทัศน์ข้อที่น่ารู้ในเรื่องมัสมีองแปดก็คือว่ามัสมีองแปดก็ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วทางแห่งความบริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือในวิสุทธิเจดสีและบริสุทธิ์สีและวิสุทธิ ความหมดจดแห Bunny, uh ่งสิญจิตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตทิฏวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นกังขาววิตรวิสุทธิความหมดจดแห่งความหมดจดแห่งความหมดจดคือพิจารณาเคือความหมดจดอันข้ามความสงสัยน่ความหมดจดอที่พิจารณาข้ามความสงสัยมัคอขยามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ ความหมดจดแห่งการเห็นอความหมดจดแห่งความเห็นเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยในข้อที่สี่กลงขาวตระนันวิสุทธิข้อห้ามคามัรรคยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นว่าทางและไม่ใช่ทางปฏิปัฏายานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นว่าทางนี้เป็นทางแห่งความหลุดพ้น ก็เจ็ดยานัศนาวิสุทธิความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นทีนี้ถ้ า, ากว่าเราจะสงเคราะห์มรรคแปดเข้าในวิสุทธิเจ็ดก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสงเคราะเข้าในศีลวิสุทธิสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะ์เข้าในจิตตาวิสุทธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสงเคราะ์เข้าในวิสุทธิทั้งห้าในลําดับน่ะ ทีนี้ที่น่ารู้อีกนิดก็คือว่าสัมมาสังกัปปะทำกิจพิจรารณาสัมมาทิฏฐิทำรรกิจสนนิฐานทีนี้ก็มาในข้อที่ห้าเรื่องสันติคือความสงบมีบาลีอุเทศว่าสันติมัคคเมวะพ ร, ะรูหยะสู่จงพ่อปูนท่านจงพ่อปูนทางแห่งความสงบในข้อที่สองว่านัตสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มี ในข้อที่สามว่าโลกามิสังปจัจเหสันติเปโขผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิเสียข้อที่น่ารู้ก็คือว่าสันติแบ่งออกเป็นสองคือหนึ่งสันติภายนอกได้แก่ความสงบกายสงบวาจาสองสันติความสงบภายในได้แก่สงบจิตใจอาบาลีท่านแสดงสันติสองไว้ดังนี้คือสันติที่เป็นสันติเป็นโลกิยะ มีบาลีว่านะฮิรุเนนะโสเกนะสันติงปะโปติเจตโสบุคคลย่อมถึงความสงบแผงจิตด้วยการร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกก็หาไม่สองสันติที่เป็นโลกุตระได้ในบาลีว่าโลกามิ ส, สังปัจเจเหสันติเพกโคู่เพ่งสันติพึงละโลกามิสเสียทีนี้อะไรละคือโลกามิสโลกามิตก็คือกามคุณห้าคือรูปอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจ นะรูปเสียงกลิ่นรสโปรดทพะเนี่ยเป็นหน้าปรารถนาหน้าใกล้หน้าชอบใจนี่ฉะนั้นบาลีแสดงปฏิปทาของผู้สมบก็คือว่าญาติน้ำหรือว่าอขอประทานโทษอุดพินทุยถาปิโปคเรปรทุเมวาริยฐานะปลิมปติเอวังมุนิโนโปลิมปติยะติทังทุตตะสุตังมุเตสุวา ยาดน้าย่อมไม่ติดในใบบัวแม้ชั้นใดวารีย่อมไม่กำทราบในดอกปทุมชั้นใดมุนีย่อมไม่เข้าไปติดในอารมณ์อันเห็นแล้วก็ดีอันฟังแล้วก็ดีอันทราบแล้วก็ดีฉันนั้นมาในข้อสุดท้ายว่ า, านิพพานนะนิพพานคำว่านิพพานแปลว่าความดับมีอุเทศว่า ที่หนึ่งว่านิพพานังวันนิพพานังปรามังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวว่านิพพานอายอดเยี่ยมข้อที่สองว่านิพพานคมมานังมัคคังคิปเมวะวิโสเทเยพึงรีบทำระทางไปนิพพานข้อที่สามว่านิพพานังปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้อที่น่ารู้อย่างหนึ่งก็คือว่านิพพานนั้น แปลว่าดับนะคาว่าดับเนี่ยหมายถึงว่าดับเพลิงกิเลสดับเพลิงทุกดับเพลิงกิเลสก็จะคือเวลาคคิโทสักิโมหคิดับเพลิงทุกก็ได้แก่เอชาติชาราโมรณะอืะแล้วส่วนที่แปลว่าหาเครื่องเสียดแทงไม่ได้ก็หมายถึงว่าพวกกิเลสตัณหาเป็นเครื่องเสียดแทงอือันนี้ก็คือดับกิเลสตัณหาหมดสิ้นเชิงแล้วนิพานนี้ก็แบ่งออกเป็นสองนะ คือโสปาที่เสียสนิพานดับกิเลสแล้วยังมีเบญจขันเหลือหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพานอนุปาที่เสียสนิพานดับกิเลสแล้วไม่มีเบญจขันเหลื้อนะดับกิเลสแล้วไม่มีเบญจขันเหลือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขันธนิพานนะเรียกว่าขันธนิพานทีนี้ปฏิปทาที่ใจถึงนิพานก็คือว่าอต้องยินดีในความไม่ประมาทนะแล้วก็เห็นภายในความไม่ประมาทอเป็นผู้ ไม่พอเพื่อความเสื่อมรอบหมายถึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานคือมีความขยันหรือก็ต้องมีความเคารพในพระศาสดาเคารพในพระพุทธเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นะอย่างแรงกล้าเคารพในสมาธิคือมีความเพียรเคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันฐานอันนี้ก็จะทําให้เรานั้นถึงนิพพานได้ถ้าปฏิบัติอย่างจริงจัง ฉะนั้นก็ขอสรุปเพียงย่อๆได้เลยว่าจิตอันเคยกำหนัดในอารมณ์อันยั่วยวนความกำหนัดมัวเมาในอารมณ์อันชักให้เขวภายหลังมาหนายด้วยโยนิโสแล้วย่อมสิ้นกำหนัดย่อมหลุดพ้นย่อมถึงความหมดจดผ่องใสย่อมสงบย่อมเป็นจริมักเกจิตดับสนิท ย่อมเป็นจริมะกัจิตดับสนิทในที่สุดนิปิทาวิราคะวิมุตติสุทันติและนิพพานเป็นธรรมเนื่องถึงกันด้วยประการชนีความระอาเพราะไม่สามารถจะหาสุขได้ไม่จัดเป็นนิพพานแต่เป็นถีนะความท้อแท้ความสิ้นรักเพราะกระทบกระทั่งดังสามีภระยาแตกแยกกัน ไม่จัดเป็นวิราคะเป็นอตติยนาความระอาหรือชิคุตฉาความชังฉะนั้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการสรุปในธรรมวิจารณาส่วนปรมาถปฏิปทาแต่โดยย่อๆหกบทคือตั้งแต่นิพพิทาวิราคะวิมุตติอวิสุทธสันติแล้วก็นิพพานฉะนั้นถ้าจะตั้งปัญหาถามในช่วงท้ายสุดอีกสักนิดหน่อยว่า ในคำอุเทศแห่งนิปิทาในธรรมวิจารที่มีคำว่าแต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่คำว่าในคำนี้ในอัตถกาถาโดยปฏิปักค์ในพวกไม่รู้หรือพวกผู้รู้ยังไม่จริงนะรู้ไม่จริงมีเครื่องข้องจึงถูกหมกอยู่ในโลกนี้ก็อะไรบ้างเล่าเป็นเครื่องข้องอันนี้เราก็ตอบว่าราคะโสะโมหะมานทิฐิทั้งห้านี้เป็นเครื่องข้อง ทั้งห้านี้เป็นเครื่องค้องหรือถ้าจะถามอีกว่าอ น, นิปิธาคืออะไรอันนี้เราก็นิปิธาคืออะไรปฏิปทาเครื่องดําเนินให้ถึงนิปิทานั้นคืออย่างไรอันนี้เราก็ตอบว่านิปิธาคือความหน่ายในทุกปฏิปทาเครื่องดําเนินอย่างนี้คือพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมเกิดนิปิธาเบื่อหน่ายในทุกข์ขัดขัน ไม่เปลิดเพลินยึดมั่นมกมุ่นในสังขารอันยั่วยวนสเสน่หาแค่นี้ก็ได้หรือถ้าจะมีคำถามว่าอะไรเรียกว่ามารบวงของมาร น, นั้นชื่ออะไรไเพราะอะไรเราก็ตอบว่ากิเลสกรารมคือเจตสิกอันเศร้าหมองชักให้ใคร่ให้รักอยากได้คือตัณหาความทยามอยากราคะความกำหนัดอัตติความขึงเครียดเป็นต้นเรียกว่ามารเพราะเป็นโทษล้างผลาญคุณความดี และทำให้เสียคนบ่วงของมานนั่นคือวัตถุ ก, กรามได้แก่กรรมกุญหา้าอันเป็นของน่าชอบใจน่ารักเพราะเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดแห่งมานและจะาถามอีกอย่างหนึ่งว่าวิมุตมีประเภทต่างกันอย่างไรบ้างเราก็ตอบว่าเจโตวิมุตได้แก่ปฏิปทาของพระอรหันต์ผู้สำเร็จอรยิยมรดด้วยกรรมบันเท็งสมุและวิปัสสนาโดยลาดับ ปัญญามีมุดได้แก่ปฏิปทาของพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสนาอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งตะทางเคยมุตดเป็นกา ม, มาพระจรวิขำมวยมุติเป็นรูปารพระจรสมุเทเฉดวิมุติปฏิปฏัติสัตวิมุตดและนิสนะวิมุตดเป็นโลกุตระวิมุดสองตามบาลีวิมุดห้าตามอัตฉริยเท่าที่บรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องปฏิปทา